สุเป็นธรรมญาณเป็นธรรมปัญญาเป mmm. <IS> ็นธรรมวิชาเป็นธรรมแสงสว่างเป็นธรรมธรรมห้าประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของธรรมปฏิสัมพิทาธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของธรรมปฏิสัมพิทาธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของธรรมปฏิสัมพิทาธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของธรรมปฏิสัมพิทาธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของธรรมปฏิสัมพิทา เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยานในธรรมทั้งหลายว่าธรรมปฏิสัมพิทาสภาวะที่เห็นเป็นอัตสภาวะที่รู้เป็นอัตสภาวะที่รู้ชัดเป็นอัตสภาวะที่รู้แจ้งเป็นอัตสภาวะที่สว่างสวัยเป็นอัตอัตห้าประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของอัตถาปฏิสัมพิทาอัตเหล่าใดเป็นอารมณ์ของอัตถาปฏิสัมพิทา อัดเหล่านั้นเป็นโครจรของอัฏฐปฏิสัมพิทาอัดเหล่าใดเป็นโครจรของอัฏฐปฏิสัมพิทาอัดเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอัฏฐปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยานในอัดทั้งหลายว่าอัฏฐปฏิสัมพิทานิรุตติสิประการ น, นี้คือการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงธรรมห้าประการ การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงอัดหประการเป็นอารมณ์และเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมพิทาธรรมและอัดเหล่าใดเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมพิทาธรรมและอัดเหล่านั้นเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมพิทาธรรมและอัดเหล่าใดเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมพิทาธรรมและอัดเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมพิทา เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยานในนิรุตติทั้งหลายว่านิรุตติปฏิสัมพิทายาน2ี่สิบประการ น, นี้คือยานในธรรมห้าประการยานในอัตห้าประการยานในนิรุตติสิบประการเป็นอารมณ์และเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทายาในธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมพิทายานในธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทา ญาณในธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทาญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาจากสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึสส้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า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 ทำเหล่านั้นเป็นโคโจรของธรรมปฏิสัมภิทาทำเหล่าใดเป็นโคจรของธรรมปฏิสัมภิทาทมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของธรรมปฏิสัมภิาทเาเารรร พ, าพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยานในธรรมทั้งหลายว่าธรรมปฏิสัมภิทาสภาวะที่เห็นเป็นอัตสภาวะที่รู้เป็นอัตสภาวะที่รู้ชัดเป็นอัตสภาวะที่รู้แจ้งเป็นอัตสภาวะที่สว่างสวยเป็นอัต อัตห้าประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของอัฏปฏิสัมพิทาอัตเหล่าใดเป็นอารมณ์ของอัฏปฏิสัมพิทาอัตเหล่านั้นเป็นโคจรของอัฏปฏิสัมพิทาอัตเหล่าใดเป็นโคจรของอัฏปฏิสัมพิทาอัตเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอัฏถปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยาในอัทั้งหลายว่าอัฏปฏิสัมพิทานิรุตติสิประการนี้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 ทำและอัดเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยาในานิรุตติทั้งหลายว่านิรุตติปฏิสัมพิทายายี่สิบประการ น, นี้คือยาในธรรมห้าประการญาในอัดห้าประการยาในานิรุตติสิประการเป็นอารมณ์และเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทายาในธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมพิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทาญาณในธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทาญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาในทุกคาเรียสัตมีธรรมสิบห้า 15, มีอัตสิห้ามีนุรุติสามสิมียานหกสิบ จักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแข่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทัยอริยสัจแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแข่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นควรละแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแข่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นเราละได้แล้ว ในทุกขสมุทัยอริยสัจมีธรรมสิบห้า 15, มีอัตสิบห้ามีนิรุตติสามสิบมียาณหกสิบจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแข่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขานิโรธอริยสัจแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแข่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าก็ทุกขานิโรธอริยสัจนี้นั้นควรทําไม่แจ้ง แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที <ic>, ่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าก็ทุกขนิโรธอริยสัตตนี้นั้นเราทําให้แจ้งแล้วในทุกขนิโรธอริยสัตตรมีธรรมสิหมีอัศสิบหมีนิรุติสามสิมียานหกสิจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอาริยสัตตร แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าก็ท <loose> <ภ>ุกขานิโรธคามณีปฏิปทาอาริยสัตมนี้นั้นควรเจริญแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าก็ทุกขานิโรธคามณีปฏิปทาอริยสัตนี้นั้นเราเจริญแล้วในทุกขานิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัตมีมีธรรมสิบห้ามีอัตสิบห้ามีนิโรติสามสิบ มียานหกสิบในอริยสัจสี่มีธรรมหกสิมีอัดหกสิมีนิรุติร้อยยี่สิบมียาน 240. สองรสีสิบสองติปทานวาระวาระว่าด้วยสติปทานภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแ่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้การพิจารณาเห็นกายหนึ่งกาย แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแขวเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าการพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นควรเจริญแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแขวเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าการพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นเราเจริญแล้วจากส่เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแขวเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย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 แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าการพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นเราเจริญแล้วคาว่าจักษุเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไรคาว่ายางเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไรคาว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไรคาว่าวิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไร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 อัดเหล่านั้นเป็นโคโจรของอัฏฐปฏิสัมพิทาอัดเหล่าใดเป็นโคจรของอัฏฐปฏิสัมพิทาอัดเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอัฏฐปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยานในอัดทั้งหลายว่าอัฏฐปฏิสัมพิทานิรุตติสิบประการนี้คือการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงธรรมหประการการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงอัดหประการ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 ยานยี่สิบประการนี้เคยยานในธรรมห้าประการยานในอัตห้าประการยานในนิรุตติส0ประการเป็นอารมณ์และเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทายานในธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมพิทายานในธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทายานในธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิภานปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายว่าปฏิภานปฏิสัมพิทาในสติปัญหาคือการพิจารณาเห็นกายเนีกายมีธรรมสิบห้า 15, มีอัตสิบห้ามีนิรุตติสามสิบมียานหกสิบจักษุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นื้การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านื้การพิจารณาเห็นจิตในจิตแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าเนื้การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้นั้นควรเจริญจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแบบเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้นั้นเราเจริญแล้วในสติปัฏฐานเืิดการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีธรรมสิบห้ามีอาศสิบห้ามีนิรุตติสามสิบมียานหกสิในสติปัฏฐานสี่ มีธรรมหกสิบมีอัดหกสิมีนิรุตติร้อยี่สิบมียาน 240. สองร้อิบสอิทิปาทวาระวาระว่าด้วยอิทิบาทภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้อิทิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขาร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 นีอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิปทานสังขารจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตะสมาธิปทานสังขารจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรานในธรรมทั้งหลา ย, ยๆๆที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร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 ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้อิธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแหวเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารนี้นั้นควรเจริญแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกวเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารนี้นั้น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 ทำห้าประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโครจรของธรรมปฏิสัมพิทาทำเหล่าใดเป็นอารมณ์ของธรรมปฏิสัมพิทาทำเหล่านั้นเป็นโครจรของธรรมปฏิสัมพิทา <ำ S 1> <cheating S 2> ทมเหล่าใดเป็นโครจรของธรรมปฏิสัมพิทาทำเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของธรรมปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยานในธรรมทั้งหลายว่าธรรมปฏิ TP. สัมพิทาสภาวะที่เห็นเป็นอัต สภาวะที่รู้เป็นอัดสภาวะที่รู้ชัดเป็นอัดสภาวะที่รู้แจ้งเป็นอัดสภาวะที่สว่างสวัยเป็นอัดอัดห้าประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของอัตถะปฏิสัมพิทาอัดเหล่าใดเป็นอารมณ์ของอัตถะปฏิสัมพิทาอัดเหล่านั้นเป็นโคจรของอัตถะปฏิสัมพิทาอัดเหล่าใดเป็นโคจรของอัถปฏิสัมพิทา อัตเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอัฏฐปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยาในอัตทั้งหลายว่าอัฏฐปฏิสัมพิทานิรุตติสิประการนี้คือการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงธรรมหประการการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงอัตห้ประการเป็นอารมณ์และเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมพิทา ทำและอัดเหล่าใดเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมพิทาทำและอัดเหล่านั้นเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมพิทาทำและอัดเหล่าใดเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมพิทาทำและอัดเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมพิทาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกยานในนิรุตติทั้งหลายว่านิรุตติปฏิสัมพิทาญานยี่สิบประการนี้คือยานในธรรมห้าประการ ญาณในอาจห้าประการญาณในนิรุตติสิทธิประการเป็นอารมณ์และเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทาญาณในธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมพิทาญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทาญาณในธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมพิทาญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมพิทา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 อิธิบาตอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ ป, ประธานสังขารนี้นั้นควรเจริญแจ้งสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า s. อิธิบาตอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ ป, ประธานสังขารนี้นั้นเราจเจริญแล้วในอิทธิบาตอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ ป, ประธานสังขารมีธรรมสิบหมีอัตสิบหมีนิรุตติสามสมียานหกสิ ในอิทธิบาสีมีธรรมหกสิบมีอาจห0สิบมีนิรุตติร้อยี่สิบมียานสอง 4. สสัตตผู้ิสัตตะวาระวาระว่าด้วยพระโพธิสัตว์เจ็ดพระองค์ภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าสมุทยสมุทย ภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านิโรธนิโรธในวยากรณ์ของพระวิปัสสีโพธิสัตว์มีธรรมสิท์มีอัศสิมีนิโรตติยิสมียาน40 ส, สจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระสิกขีโพธิสัตว์ จักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระเวชภูโพธิสัตว์จักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระกกุสันธะโพธิสัตว์จักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโปณาคมณะโพธิสัตว์จักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระกัสสะโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าสมุไทยสมุไทย จักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระกัสปะโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านิโรดนิโรดในวยากรณ์ของพระกัสสปะโพธิสัตว์มีธรรมสิบมีอัตสิบมีนิรุตติยี่สิบมียานสี่สิจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโคดมโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าสมุทัยสมุทัย จากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโคดมโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านิโรดนิโรดในวยายรณ์ของพระโคดมโพธิสัตว์มีธรรมสิทมีอัตยี่สมีนิรุตติยี่สิทมียาน40สในวายคอนเจ็ของพระโพธิสัตว์เจ็พระองค์มีธรรมเจ็สมีอัตเจ็มีนิรุตติร้อยสี่สิท มียานสอง 5. อิหอภิญยาทิวาระวาระว่าด้วยอภิญยาเป็นต้นจากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่ควรรู้ยิ่งแห่งอภิญยาเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญา สภาวะที่ควรรู้ยิ่งแห่งอภิญญาที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มีในสภาวะที่ควรรู้ยิ่งแห่งอภิญญาที่ควรรู้ยิ่งมีธรรมยี่สิห้ามีอัดยี่ิห้ามีนิรุตติห้ า, าสิบมีญาณหนึ่งร้จักษุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่ควรกาหนดรู้แห่งปริญญา จั ก, กสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่ควรละแห่งปะหานะจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่ควรเจริญแห่งภาวนาจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจจิกริยาเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญา สภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจจคุริยาที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มีในสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจจกุกริยามีทำยี่สบามีอัดยิบหมีนิรุตติห้าสมียานหนึ่งรในสภาวะที่ควรรู้ยิ่งแห่งอภิญญาในสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งปริญญา ในสภาวะที่ควรละแห่งปะหานะในสภาวะที่ควรเจริญแห่งภาวนาในสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจจิกริยามีธรรมหนึ่งร้อยยี่สิห้ามีอัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามีนิรุตติสองร้อยห้าสิบมียานห้นท า, ทาร้อยหกขันธทิวาระวาระว่าเรืยอขันเป็นต้น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 ในสภาวะที่เป็นกองแห่งขันทั้งหลายมีธรรมยี่สิห้ามีอัตยี่สิห้ามีนิรุตติห้าสิบมียานหนึ่งรอยจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่ทรงไว้แห่งธาตุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่เป็นบ่อเกิดแห่งอายตนะทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังคตะธรรมทั้งหลายจากส like ุเกิดขึ seen, les, melhor, done, like ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังคตะธรรมเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาสภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังคตะธรรมที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทาให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มีในสภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังขตะธรรมมีธรรมยี่สิห้ามีอัดยี่สห้ามีนิรุตติห้าสิบมียานหนึ่งรในสภาวะที่เป็นกองแห่งขันทั้งหลายในสภาวะที่ทรงไว้แห่งธาตุทั้งหลายในสภาวะที่เป็นบอกเกิดแห่งอายตนะทั้งหลายในสภาวะที่ปัจจัยปรงแต่งแห่งสังคตะธรรมทั้งหลาย ในสภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรมมีธรรมหนึ่งรยี่ห้ามีอัดหนึ่งยี่ห้ามีนิรุตติสองห้าสิมียานห้าร้อยเจดสัจจะวาระวาระว่าด้วยสัจจะจากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกขเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มีในสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกมีทำยี่สิบห้า 25, มีอัดยี่สิห้ามีนิรุตติห้าสิบมียานหนึ่งร้อย จักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทาให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญา สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทําให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มีในสภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคมีธรรมยี่สิบห้ามีอัดยี่สิห้ามีนิรุตติห้าสิบมียานหนึ่งรอในอริยสัจสี่มีธรรมหนึ่งรมีอัดหนึ่งรมีนิรุตติสอง้อมียานสี่ร้อยปด ปฏิสัมพิทาวาระวาระว่าด้วยปฏิสัมพิทาจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่แตกฉานในอัตเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาสภาวะที่แตกฉานในอัตที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มี ในสภาวะที่แตกฉานในอัตแห่งอัถปฏิสัมพิทามีธรรมยี่สิห้ามีอัตยี่สิห้ามีนิรุตติห้าสิบมียานหนึ่งรอจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่แตกฉานในธรรมแห่งธรรมปฏิสัมพิทาจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่แตกฉานในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมพิทา จากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าสภาวะที่แตกฉานในปฏิพานแห่งปฏิภาณปฏิสัมพิทาเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาสภาวะที่แตกฉานในปฏิพานแห่งปฏิภาณปฏิสัมพิทาที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำไม่แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มี ในสภาวะที่แตกฉานในปฏิพานแห่งปฏิพานปฏิสัมพิทามีธรรมยี่สิห้ามีอัดยี่สิห้ามีนิรุตติห้าสิบมียานหนึ่งร้อยในปฏิสัมพิทาสี่มีธรรมหนึ่งร้อยมีอัดหนึ่งร้อยมีนิรุตติสองร้อยมียานสีรรม 100, ม 100, น่ร้อยเก้าพุทธธรรมวาระวาระว่าด้วยพุทธธรรมหกประการ จักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทําให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทําให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มีญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย มีทำยี่สห้ามีอัดยี่สห้ามีนิรุตติห้าสิบมียาหนึ่งร้จากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่ายาในอาชยะและอนุัยของสัตว์ทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่ายาในยมกกะปฏิหารจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่ายาในมหากรุณาสมาบัติ จับสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าจากพันยุตยานจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่าอนาวรณญานเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทําให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาอนาวรณญาณที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทําให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มีอนาวรณญานมีทำยี่สห้า มีอัด25มีนิรุตติ50มียา100ในพุทธธรรม6มีธรรม150มีอัด150มีนิรุตติ300มียา600ในปฏิสัมพิทากาานี้มีธรรม850มีอัด850มีนิรุตติ 1,700 มียา 3,400 ปฏิสัมพิธากถาจบ